ปาติเทศนียกันว่าด้วยอาบัติปาติเทศนียะแปดสิกขาบทสิกขาบทที่หนึ่งถึงสิกขาบทที่8ห้ามขอโภชนะปราณีตแปดอย่างตามลําดับสิกขาบทมาฉันความในสิกขาบททั้งแปดนี้อย่างเดียวกันต่างกันแต่ของที่ขอรวมแปดอย่างตามลําดับสิกขาบทคือนางภิกษุณีไม่เป็นไข่ขอของเหล่านี้มาบริโภค ต้องอาบัติปาติเทสนิยะคือเนอยใสน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มหรือนมเปรี้ยวเรียงลำดับสิขาบทตามลำดับของหมายเหตุอาบัติปาติเทสนิยะแปล ว, ว่าอาบัติที่ต้องแสดงคืนทั้งแปดสิขาบทนี้ไม่มีพร้อมกับของภิกษุเลย อันหนึ่งของบริโภค8ปดอย่างที่ห้ามขอมาฉันในเมื่อไม่เป็นไข้นี้เคยเรียกในสิขาบทสำหรับภิกษุว่าโภชนะปราณีตมี9้าอย่างโดยเพิ่มเนยข้นเข้าในลำดับที่สองแล้วเลื่อนข้ออื่นๆไปไว้ถัดไปโดยในนี้จึงขาดเนยข้นไปอย่างเดียวอาจเป็นเพราะไม่มีใครทำตัวอย่างจึงไม่บัญญัติสิขาบทก็ได เสขษฐกิจกันว่าด้วยวัดข้อปฏิบัติและมารยาทที่นางภิกษุณีจะต้องศึกษาในพระไตรปิฎกเรียกชื่อว่าเศขิยธรรมคือธรรมหรือธรรมะที่ต้องศึกษาของนางภิกษุณีคงมีเจบห้าข้อเหมือนของภิกษุเป็นแต่ได้แสดงต้นเรื่องไว้สองข้อที่นางภิกษุณีพวกหนุ่งห่มไม่เป็นปริมณฑลและถ่ายอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้าง ว้นน้ำลายหรือเคละบ้างลงในน้ำเป็นเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นซึ่งมีพ้องอยู่แล้วในข้อห้ามสำหรับภิกษุอธิกรณะสมถะธรรมะสำหรับระงับอธิกร7เจอย่างทั้งเจข้อนี้ก็ตรงกับของภิกษุสรุปศีลของภิกษุณีปราชิกของภิกษุณีมีสี่ นำของภิกษุมาใช้อีกสี่รวมเป็นแปดสังฆาทิเศษของภิกษุณีมีสิบนำของภิกษุมาใช้อีกเจ็ดรวมเป็นสิบเจ็ดนิกสักียะปาจิตตีของภิกษุณีสิบสองนำของภิกษุมาใช้สิบปดรวมเป็นสามสิบปาจิตตีของภิกษุณีเก้าหกนำของภิกษุมาใช้เจ็ดสิบรวมเป็นหนึ่งหสหกปาฏิเทศนียะของภิกษุณี8เซขียะ นำของภิกษุมาใช้75อธิกรณะสมถะนำของภิกษุมาใช้ทั้งหมด7ข้อรวมทั้งสิ้นเฉพาะส่วนของภิกษุณี130นามนำของภิกษุมาใช้181รวมทั้งหมดเป็น311ข้อหรือ311สิสิกขาบท